พอไปถึงฝั่งแม่น้ำพระพุทธองค์ทรงเหนื่อยเหนื่อยล้าการเดินทางก็ให้พระอานนท์ปูสังคาติลาดให้เป็นสี่ชั้นพระองค์ก็ลงบรรทมนอนอพระสงฆ์ทั้งหลายก็เฝ้าจากนั้นให้พระอานนท์ไปนําน้ําขึ้นมาถวายแต่ขณะที่นําน้ําขึ้นมาถวายพระพุทธองค์ก็บอกว่าเรา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 เป็นธรรมชาติของมนุษย์คือจะเน้นในจุดนี้ทเทนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปริรุเนียผานไปแล้วต่างคนก็ต่าง อ, อยากจะเป็นตัวแทนแต่ทั้งที่ส่วนพระอราหันนะัท่านไม่ว่าอะไรนะท่านสำเร็จแล้วท่านไม่มีไม่ท่านไม่คิดอะไรแต่ผูุ้ชนทั้งหลายเนี่ยมีความนักคิดอย่างมากเหมือนกันแล้วก็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 ก็ตำหนิโน้ น, นตำหนินี้ตั้งวิ น, ยนัยโน้วินัยนี้เที่ยพอพระพุทธเจ้าปรนินิพานไปแล้วพวกเราจะทําอะไรทําได้ตามสบายทําได้ตามชอบใจอันนี้ก็คือลูกสิทธิ์ของท่านพระมาหากรสปะพูดพระที่บวชภายแก่ไม่ได้มีอัดมีทำรรในใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนอยู่ท่านก็แนะนําบอกกล่าวอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรทําอันนี้ไม่ควรทํา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 แต่นี้เมื่อพระมหากัสปะถวายพระเพิงพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วคําคํานั้นล่ะมันยังประทับอยู่ในใจของพระพระรหัตอย่างพระมหากัสปะบอกเออถ้าว่ามีใครพูดอย่างพระองค์นี้ล่ะคําพูดอย่างนี้ล่ะพระพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้นานคงจะหมดโดยเร็วเพราะว่าพูดพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์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 เป็นผู้ประธรรมในการสังฆา ย, ยนาครั้งแรกพระสงฆ์ร่วนเป็นพระอรหันต์ห้าร้อยโรคนี่แหละในเมื่อไปชุมกัน เ, เราก็ประชุมกันเรื่องอะไรก่อนพระมหาคส ป, ปะเป็นประธานสงฆ์ผมมีอายุพรรษาวันนี้เราจะ เ, าเราจะไปชุมทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหาหรือกันเราจะประชุมเรื่องอะไรก่อนพระสงฆ์ก็ได้กลับ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 อันนี้ก็คือพรพุทธ้าพระเถระเสนอขึ้นมาพระมหากัรสภาก็ยอมรับจากนั้นทา่านก็ใครเป็นผู้เก่งวินัยใครว่าถามบอกใครเป็นผู้เก่งทางกฎหมายพระสงฆ์ก็เสนอว่าพระอุปาลีพระอุบาลีนีเ่เป็นผู้บวช ม, มาจากกรุงกบิลพทัที่ว่าเป็นเพื่อนของหมู่กลุ่มของพระ อ, อ น, นุ์ อานน์อนุรุทธะกิมพลิวัคุภัติยะและอุบาเลีเนี่ยเป็นช่างตัดผมของกุงม่มารทั้งหกที่มาบวชพร้อมกันแต่พระอนุรุทธะพระอานน์นให้อุบาเลีเป็นผู้บวชก่อนเพราะเขาเป็นช่างตัดผมพวกเราจะได้ลดทิฏฐิมานะลงจะได้กล่าบคนตัดผมได้เพราะว่าเมื่อบวชก่อนแล้วก็คือเป็นอาวุโส